กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคใต้หลากหลายโครงการอาทิโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควรเขาวังตำบลฉลุงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นการบูรณาการร่วมกันกับกรมป่าไม้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านให้กับรัศดรในพื้นที่และส่วนราชการสังกัดกรมป่าไม้และสนับสนุนการเพราะชำกล้าไม้ควบคุมไฟป่ารวมทั้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าควรเขาวังนอกจากนี้สานัก ง, งานทรัพยากรน้ำภาคแปดยังได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพุกบางกล่าตาบล บ, บางกล่าอำเภอบางกล่าจังหวัดสงขลาเป็นโครงการแก้มลิง เพื่อรองรับน้าบริเวณพื้นที่โครงการและป้องกันน้ำเขมรุกเข้าพื้นที่ป่าพุททั้งยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคช่วงฤดูแลง้งสามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณหนึ่งล้านลูกบาทเมตรช่วยรักษาระดับน้ำจืดในป่าพุทเพื่อป้องกันไฟไหม้ป่าพุบางกล่มได้อย่างยั่งยืนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าบ้านบางบูชา ตำบลเก า, เาะทวดอเภอปักพนังจังวนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแลง้งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนความจุเก็บกัก 150,000 ลูกบาทเมตรมีพื้นที่เกษตรประมาณ 1,000 ไร่ปัจจุบันเทศบาลตำบลเกาะทวดได้ต่อ ย, ยอดโครงการโดยการก่อสร้างระบบประปาให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้น้ำจากโครงการประมาณ500ครัวเรือนอีกด้วย น้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมให้การปรึกษาด้านทรัพยากรน้ำโทรหนึ่หกด5หรือ www.dwr.go.th